มันนี่ยาที่ปายมอกคอสองเรื่องเขาไปใกล้นี่แหละไม่ต้องอื่นไกลไรดอกคือความเกิดกับความดับเท่านั้นแหละคอใหญ่ใจกลมไม่มีอะไรนกจาความเกิดกับความดับแต่หากก้วงข่วงมากหมดทั้งโลกนี้เป็นไม่เกิดกับดับเท่านั้น พูดง่ายๆของนิดเดียวแต่หากว่าขวมมันขวมงกินขวมง่วงขวังคำว่า เ, เกิดก่อนหรือดับก่อนดับก็ยังเคเกิดและเกิดเรื่อยดับไอพิจารณาลองดูว่อาอะไรเกิดก่อนอะไร ด, ดับก่อน ทัานหากว่ายังเวียนไหวแต่เกิดอยู่เกิดกับดับก็เท่ากันราคาเท่ากันต่อเมื่อใดยังไม่สิ้นกิเลสตราบนั่นแหละต้องเกิดกับดับเท่ากันแต่โดยส่วนมากคนเรานั้นชอบจะเกิดไม่ชอบดับเห็นอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ พอใจอของใหม่ก็เลยชอบโอ๊ชอบใจอย่างเด็กอี่นี้เกิดขึ้นมาชอบโอกชอบใจจูกชมซะจนนี่ดีแหละแต่เวลาดาบเปเข่าโศกเดือดร้อนวุ่นวายความไม่เห็นตามเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นความไม่จริงแล้ว ถ้าไม่ดับมันก็ไม่เกิดเมียนอะไรจะเกิดมันดับไต่ก่อนมันค่อยเกิดเราทุกคนเนี่ยนะที่อยู่นี่เดียกันดังนั้นมีใครบางทีจะไม่ดับเอาหน้าในทั้งหมดเนี่ยนะที่จะนยัยทีทวนเนี่ยมันควมดับทั้งหมดนี่พูดกันยงง่ายวะ่ะ ตัวตายนั้นนั้นตัวจะอยู่แค่นี้หละพิจิตตัวตายทั้งนั้นต้นไม้ภูเขาสัตว์ปัสทุกอย่างต้นหญ้าตน้นแรงมดที่เกิดขึ้นในพื้นไี่แผ่นดินอันนี้ล้วนแต่เป็นของดับทั้งหมด ให้พิาจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีก็เพิอเพลินลุ่มหลงมาเมาแล้วก็คงเกิดอั่นั้นความอยู่ยเกิดแล้วมันอยู่เห็นว่ามันอยู่เรายินดีกับความอยู่ของของเกิดนะแต่แท้เลยจริงมันเสือ่อมเกิดมันก็เสื่อมเลยทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เกิดขึ้นมาพบในวันนั้นนะ่ะเวลานั้นนะ่ะขณะนั้นนะ่ะต้องเสื่อมไปในตัวแต่มันเสื่อมทีละน้อยทีละน้อยถ้าหากพิจารณาเห็นของเสื่อมตัวอย่างนี้เราจะไม่ประมาทไมพิจารณาของเสื่อมขรงสิ้นไปของสังขารร่างกาย ทั้งตัวของเราและคนอื่นนั่นสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกอ น, นี้เห็นเป็นสภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นทั่วทุกตัวตนใช่ไหมประมาณจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัวของเราในี่ไปพิจารวามเสื่อม หากไม่เห็นเนี่ยพิจนาของภายนอกวยก่อนต้นว้เอาอย่างต้นง่ายง่ายอ่ะต้นไม้ต้ลุกเนะี่ยต้นชิกต้นเขือต้นกอและกระตามเดิวมันเกิดง่ายง่ายใหญ่โตเร็วเนะ่มันเกิดขึอมามันก็เกิดหากความเสื่อมที่แดมันเกิดมา มีใบนี้เดียวแก่ออกมาแล้วทีนี้มันเป็นใบออกมาแล้วในใบมันก็ค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาแล้วเป็นกิงเป็งนง่าว อ, อกมามันแก่ไปคำว่าแก่นั้นสมกับคำว่าแก่จริงคือมันแก่ธนาความตาย ก็ไม่แก่พหะความดับแก่ปะหะความชิ้นศูนย์ฉันเรียกว่าแก่ในภาพอิสสังเราเรียกแก่นะคือว่าลากไปชักไปลากไปเรียกว่าแก่ลากไปไหนแก่ไปไหนแกปะปหะความตายเหมือนกันลา้าพหาที่สุดเหมือนกันเอาต้นอะไรนี่ยอต้นไม้เนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอย่างได้ก่อน น่ความเห็นง่ายๆแล้วก็พิจารณาส่วนวนี้ส่วนลึกเข้าไปอีกในส่วนที่มันท้าวาังเข้าไปคว่นั้นอีกต้นไม้ที่มันมีหลายชนิดต้นไม้ล้มลุกแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นอีกแก่เหมือนกันแก่ไปตัวต่างๆจนกระทั่งมีแก่มีกระพี้มีแขนจนกระทั่งมีลูกไมีผล เราจะมาหาตัวคนเราถ้าหาไม่เห็นตัวของเราก็เห็นตัวคนอื่นให้ก่อนเห็นคนแก่คุณก่เอาคนอื่นเลยก่อนเห็นความแก่ของคนนันะ่นเอาความแก่ที่มันนที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นนะ่ะสาวไปหาแต่เมื่อเด็กแต่เมืนนมม่อยังนมเมื่อคลอดสมาธิแรกต่อน เสื่อมไปแปรควนไปสภาพํารุดทรุดโทรมไปแล้วยังเคยมาพิจารณาทั้งตัวของเราถึงยังไงยังไงก็ดีถ้าหากไม่ทําความเขียนภาวนาไม่เหตุเด็ดขาดอันนี้พูดถึงเรื่องภาวนาถ้าไม่เกิดความรู้จากภาวนาแล้ว ไม่เห็นตามเป็นจริงเลยแต่พระเ ด, ดเจ้าวท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงเบื้องต้นยังให้ภาวนาใช่ก่อนให้จิตสงบใช่ก่อนอบรมมาเป็นสมาธิใช่ก่อนเมื่ออบรมมเป็นส ม, ธน ม, มาสมธิแล้วมันมน่งคิดเองหรอกมันคิดตัวเองพิจารณาไปเองหรอกมันหักเกิดความสลดชังเรศ ขึ้นในตัวของเราสรลดคืออะไรใจมันฮดหูแต่ไม่ใช่ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองกับใจฮดหูมันต่างหากใจฮดหูนั้นมันสรลดสังเวชแต่มันคิดถึงตัวของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันฮดหูลงไป เช่าหมอในคิดถึงเรื่องความแก่ความตายเราเราเช้าโศกเสียใจอะไรอหวอดกลัวเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราเรียกว่าเช่าโศกจิตใจไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งมันอยู่ในที่เดียวส่วนนั้นหูนี้จิตใจยิง่งตั้งมันลงไปแล้วเกิดความสลดสังเวช ในตัวของตนแล้วเกิดมาได้ของไม่ดีที่จริงเราหลงไหลมานมนานแล้วเข้าใจว่าจะมีอายุยืนเข้าใจว่าจะมีสุขภาพอันดีขเข้าใจว่าได้ของดีถ้าหากพิจารณาอย่างนั้นแล้วมาพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วแท้ที่จริงมันตั้งได้ตัวตายได้ของตายทั้งนั้น ได้ของอสุภะปติกูลนย่งนั้นได้ของชำรุดสุดส่งนั้นเราบำรุงบำเลยรักษาทุกเมือ่อแต่ว่ามันก็ชำรุดไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีมีอะไรจยยมั่นคงท้าวอนอยู่ใดแต่เราไม่ได้คิดถึงมันยังค่อยไม่เห็นความจริงเข้ามัน ความจริงความจริงเ่มันต้องสุดสอมไปทุกวันเขียนมันเกิดคิด่างเน่นต้องสลดใจว่าตนลืมตนหลงตัวเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเวลาร่วงเลยมานมนานไม่เกิดความรู้ความเข้าใจในตามเป็นจริงของมันเหนนั่นแน่นอนการทำสมาธิภาวนา มีอเนกสงมากเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าเห็นตามในจริงแล้วจริงทั้งหลายนี้จะแต่ปวนไปก็ตาบจะดับสูญเช่นไปประชาตัวของเรานี่แหละเป็นสิทธิ์ตัวเราเนี่เป็นตัวอย่างดับลงไปก็มันเป็นอัจฉริยะมันเป็นอยู่อย่างนั้นแค่ห้ามก็ไปได้แค่บอกก็ไม่ฟัง นี่นเกิดขึ้นมาวันต้องแฝงปวนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้เห็นตามเป็นจริงแล้พิจารณาตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงแล้วพิจารณาตามเป็นจริงแล้วก็หมดเรื่องกันเพราะพระพุทธศาสนาสอนแท้จริงนั้นะสอนข้องจริงข้องสอนตามเป็นจริงมนุษย์คนเราเข้าใจผิดไป ไม่เห็นตามเป็นจริงของเอาตัวของตัวของตัวของเรานี่แหละไม่ใช่อื่นเกินอย่างอธิบายให้ฟังกันนี้แหละความเสื่อมของมเสื่ไปเป็นธรรมดามนุษย์สังขารหวังว่ที่เกิดก็เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เห็นตามเป็นจริงเพราะจิตไม่เป็นสมาธิภาวนาคนที่เป็นสมาธิภาวนาแล้วเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้ว ไม่มีหวันไหวไมีการพิจะนณาคงเกิดของคนดับพิจารณาดวการอย่างนี้แหละนัาแล้วทำสมาธมิพรวนาให้ถึงให้จิตเป็นเอกสตาลมของตัวเองก็เจตาจิตเอกาตาลมไว้ก่อนอธิบายฟังนั้นมันถึงจะเห็นท้งที่มันเป็นอยู่แต่ว่าไม่เห็น ก็เหตุที่ต้นไม่ดีต้นแล้วปลูกขึ้นที่แรกยังไม่มาทํางามผลมันก็เลยไม่เห็นมันปลูกขึ้นมาแล้วมันก็ปลูกตนหญ้าต้นไม้่ะเนี่ยปลูกต้นเข่าต้นไหนก็ตามเิดนั่นปลูกแล้วก็เลยไม่ไดายายาลกคุมวัตมันก็เลยไม่เห็นไม่ดไม่มีผลต้นมันไปขึ้นซ้ำ ต้นคือสมาธิไม่แน่นนะไม่แน่นแฟนต้นคือสมาธิไม่ตักไม่ไม่ลงหลักได้ก่อนไม่เป็นนักฐานได้ก่อนลกที่มันลกคืออะไรคือสัพพิเลตังขวงหมดมันคุมอยู่คุณต้นของมัน เพิ่มแกวห้องหัวพันยึดนั่นยึดนี่สารพัดทุกอย่างจะเป็นดึงจะไปฉักมันออกจะไปดายมันออกมันเท่าแรงก็ยังไม่ทันหมดบางทีดาย่ญ้ดเครื่องคุมมันออกก็ไม่ถึงตัวมันซ้าไม่ถึงต้นยญ้าซ้ำไม่ถึงเครื่องคุมมันซ้ำ แ, แล้วอยากจะได้แต่ผล แต่ได้เห็นตาเป็นจริงมันก็เลยไปเห็นสักทีของเหล่านี้แหละมันไม่แอดรอเมรีมันเทียงไปเป็นสมาธิภาวนาลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้พอาะับตาเราพักเมื่อวีมันวิ่งหนุนมันวิ่งไปทั่วทุกแห่งทุกหดนะวิ่งไปทุ่งไปนาไว้วิ่งไปป่าไว้เถื่อนวิ่งไปเลือกไปสวนวิ่งไปหาลูกหาหลานวิ่งไปหาบ้านหาเรือน ไปหมดมันเลยไม่เป็นสมาธิเราทาสมาธิต้องตั้งใจสิจะไปอะไรนั่งสมาธิอยู่นี่จะไปทําไมของอันนี้นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันหรอกไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็อยู่นั่นแหละมันจะเป็นอะไรมาไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นอะไรให้หรอกเรานั่งเพราะนาวสมาธิอันี่มันจะไป เป็นประโยชน์อะไรไปยุ่งกับมันหรือนานี่จะทำสมาธิตักบทมันลงละก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยทำให้เป็นสมาธิได้ก่อนเลิกคิดเลิกนึกสงบลงคงที่ให้เข้าถึงใจ คบางกลางความว่างเปล่าความไม่เนื้อคิดความไม่คิดอะไรไม่ทรงใจอะไรตัวที่เฉยตัวเป็น ก, กลางๆนั่นแนหะเข้าถึงตัวนั้นเนะี่ยมันก็ง่ายจังไปนิดเดียวนทัทีสอนให้เอาใจง่ายเอาตรงนั้นนะ่ะให้ทํำง่ายๆตรงนั้นนะ่ะเอาตรงกลางกันแค่ก่อน มันการตรงไหนกลตรงนั้นไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายถ้าสงนาตรงหลังไม่คิดนนคิดนี้ไม่พรุงไม่แจงให้พรุงไม่แจงมมันเลยหยุดยทันทีมันจะไปไหนก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วให้อยู่สักพักหนึ่งแล้วอยู่นานๆได้เท่าใดเท่าดีถ้ามันเป็นบ่อยๆให้มันช น, นิช น, นาน มันคิดก็ได้มันไม่คิดก็ได้มันจะคิดก็รู้จักว่ามันคิดอยู่มันไม่คิดก็รู้จักว่ามันไม่คิดเฉยๆอยู่ก็รู้จักว่าชเฉยๆบอกบังคับมันได้นั่นแหละจึงจะเป็นใจของเราเราบันคับไม่ได้เป็นใจของเรามันพาเราวิ่งว้อนวิ่งหน้าวิ่งหลัง ตัวแต่แรงสารพัดทุกอย่างอันนั้นไม่เป็นตัวของตนถ้าเราบังคับใจได้แล้วมันก็เป็นตัวของเราทีมันก็เป็นสมาธิคราวนี้เอาละจะคิดยังไงก็เอาจะพิจารณาความเกิดของเราเอาเถอะชัดขึ้นมาใน้ทีนะความสงบนั้มันเป็นธรรมเป็นบทบาทให้เกิดธรรม ถ้ามันสงบแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เป็นธรรมทั้งหมดมันเป็นเรื่องโลกจิตไม่หยุดไม่ยัง่งจิตไม่หยุดไม่อยู่มันเป็นเรื่องโลกเราสร้างมานานแล้วแหละสร้างโลกหมายครอบหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วถึงเราไม่รู้ก็คงชาติสร้างมาแล้วเหมือนกัน พอรู้ได้ในปัจจุบันชาตินี้มันเคยชินวมาไม่ค่อยไปทางโลกมากกว่าทางธรรมนั่นเรียกว่าเราสร้างมาแล้วในชาตินี้เราสร้างมามากกว่าในทางธรรมเราสร้างน้อยนิดเดียวคือให้พิจารณาเป็นธรรมคือมันหยุดอยู่แล้วก็พิจารณาเป็นธรรม อย่างครบเกิดคนตาปันงนี้แหละมันจะเห็นที่ไหนคนทั้งโลกทั้บ้านทั้งเมืองมันไม่ได้ทำภาวนาสมาธิไม่เห็นหรอกเห็นกระเพียงแค่สักพูดเฉยๆน่ถ้าไม่ทําสมาธิอย่างนี้อย่างที่ว่านี่แล้วไม่เห็นตาไม่จริงเพรานั้นยังทําสมาธิแนวเนี้ยเอาทำเลยขึ้นเป็นนรอก แล้วมันก็บุญเหมันมันต่อขึ้นมาเป็นก้อนเป็นงอนขึ้นมาแล้วก็แตกพุ่งไปเป็นคลื่นกับน้าเลยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ําเลยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ําเลยเป็นก้อนแล้วก็แตกไปทะะั่วไปตามอบบนะแต่เขาเรียกว่าก้อนมันคลื่น ว่าเกิดอว่าฟองว่าอะไรต่างๆอะไรมันเกิดแต่งาวมันเป็นน้ำมันเล้เขาเขาเรียกเรียกต่างๆออกไปอีกใจก็คือ น, น้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฟอยเลยหรือว่าเป็นนรอกอะไรต่างๆคือจิตนันั้นมันอันเดียวกันอนะไร ท่านเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีราคาแตกต่างท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ตา่างท่านไม่เรียกหรอกท่ น, นี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจใช่ก่อนอยากเหีนรู้จริตได้เห็นตัวใจใช่ก่อนของที่มันเฉยเฉยใช่ก่อนนั่นแหะตัวใจ หมันเป็นคลืนเป็นเลนอ์เป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจา่ายเห็นง่ายะนะครับนี้พูดง่ายนะครนี่คือเมื่อเราเห็นอาการของจิตใจต่างๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนะั้นให้ปล่อยมันก็ปล่อยเย่างเดไม่วางมก็ไว้งอ่าง มันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพาัดมันเป็นสารพัดทุกสิงทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำอะไรตา่างๆน้นแล้วก็จะไม่ไปยึดหอกแล้วทำไมจะส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามแต่หรือหาว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องนอกเข้าหาตัวใจ ให้อยู่นิ่งเฉย อ, อยู่แค่ก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้า ม, มีการสงบ ม, มีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนพาฒนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อน ให้มันชําเนี้ยชํนานาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีให้อยู่นานเราได้เชื่อได้ความสุขมานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เดี่ยวความสุขน้อยเ่็งคู่เป็นขนาะการทำอย่างนี้บ่อยๆคขาเนี่หัดได้แล้วตอนนี้เรียวกว่าหัดจิตได้ จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ึ่งมีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วก็เข้ามาหาใจนั้นให้มาสกบอยู่กับใจ น, นเราทำอย่างนี้ได้จำนียรจำนานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมูคณะ อยู่ในที่ไหนก็อยู่ใดเรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไหมไในชีวิตแต่นี้เลยไม่ได้ทุก หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสวายอยู่ตรงนั่นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอกถึงนิพพานาานั่นไม่ทราบอนิพพานอยู่ตรงไห น, นเราเอาความทุกขแล้วก็แล้วกันหรอ ก, กชีวิตมันลําบากเลือกเกินทุกข์หน้าเลือเกินเหนียว เ, เ, เ, เกินมาในโลกอันนี้ เราคงทุเคนก็สู้เลยดท่านั้นกับคอแล้ ว, วนอกฝนไม่้่านอย่างไรกต่ช่าง้งือทำของทำเลยให้ปิดเจรนาความตายดังอธิบายมาแล้วมาละนังมาละนังพิเจรนาว่ามาละนัง เป็นอารมณ์คือไม่จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์ันเดียวถ้ามันอยู่ในคาบริกรรมอันเดียวมารณังวาจานอยู่กันนั่นฮะมันออกมันส่งออกไปกับดึงมัอเข้ามาอยู่ในอารมณ์เดียวไปแนาถึงมารณังมารังอยู่กําโนดไปแนา อยู่อันเดียบนั่นแหะคนที่ว่ามาตะนังใครเป็นคนว่ามาตะนังคำนดเอาผู้ผู้ที่รู้วอาผู้ที่ว่ามาตนังคือผู้ที่คำนด t ออกมาตะนังครับคนด t เอาคุณนั้ น, นให้ได้พิจารณาเรื่อ ง, งความตายอันนี้เรียกว่าเอาเอาอย่างใกล้ พิจารณาถึงมรรณังผู้ว่ามรรณังนะพิจาณาควใกล้ๆนี่แหละนั้นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนนมรรณังพิจารณาอะไรมันตายกายนี่มันแตกมันตายมันสลยายมันดับทูนไปพิจารณาเลยมันตายผมนั่นหือตายคนเล็บขนหังนันนี่มันตายพิจารณาเป็นคิดเป็นอันไปโดยลําดับหรือพิจารณาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ มาดานังไม่ใช่ว่ามาดานังเฉยๆพิจารณาไปพร้อมไปพร้อมกับกลมตายแล้วนะนั่นตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ําไฟลมใครเป็นคนว่ามาดานังคำโนดเอาผู้ว่าแค่นี้ตอนนั้นก็หวางเสียอันที่อันรูปมันหวานเสียังเหลือแต่ผู้ว่ามาดานาง จิตนั้นยังเหลือที่ผู้เดียวล่ะคะ น, นี่มันจะรวมพู้ว่าเข้าไปสนิดขนมเข้าไปไม่มีไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียวจิตขนาดนั้นน่เรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจพบของใจ นี่ท่านเรียกว่าภาะวะคือพบของใจนั่นเองพบของใจ ย, ยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันยังส่งสายอยู่ภายในนนอีกมากมายเยอะแยะทีเดียวต้องไปชำระกันอีกชำระกับเมืองเก่าเนี่แหละใครส่งใครวุน่นใครวา ย, ใ ค, วายใครปรุงใครแจง จนเห็นผู้ที่ปรุงแต่งผู้ที่วุ่นวายนั่นก็จับเอาตัวผู้เห็นนั่นผู้ที่ไปเห็นไปปรุงไปแต่งผู้อ้วนวายนั่นก็หายไปอีกรวมเข้าไปอีกเป็นผวังอีกการเป็นผวังอย่างนี้ทางนี้ น, นค่อยละเอียดเข้าไปหน่อย เนี่มันยังปรุงแต่งอีกอยู่ก็คิดก็คิดหนายัางน้นเหมือนกันจนกระทั่งท่า น, นไม่ปุงไม่แต่งมันอยู่เฉยรู้เท่ารู้เรื่องของขมเฉยอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกไหมล่ะมันไม่สนุกมันปรุงมันแต่งไม่สนุก คือคนเรามันเคยชินจะได้เกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกันที่ไม่คิดไม่นึกไมปรุงไม่แต่งมันไม่ชอบการที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบด้วยมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้น แต่ธรรมดาเองคนจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเป็นเยินจริงๆจะงจัง้เป็นอย่างนั้นแล้วถอนถ้ามันสนิทสนมเขาไปปรุงแต่งภายในชอบใจจึงว่าให้ละตรง น, นั้นอีกพิจารณาคูป่ป ร, ปรุงคู่แต่งกู่คิดคู่นึกนั้นอีกจนมาละถอนมาเมื่อมันอยู่นิ่ง มีความรู้รอบรู้ตัวอยู่สว่างจ้า น, าน่นชอ่ใจ